ใช้ถูกต้องถูกทางเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นธรรมคำสอนเราก็ได้รับความสงบทางด้านจิตใจด้วยเมื่อเราเรียนแล้วลงลงมือปฏิบัติทั้งเรียนแล้วลงทดลองดรวยทดสอบด้วยเหมือนกับเขาเรียนช่างคนอย่างนั้นพอเรียนเสร็จแล้วก่อเรียบแก้ไขทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนเลย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 พรัชมา ธ, ธรรมคือคําสอนในปัจจุบันทําใจอย่างไงจรึงจะจิตใจจึงจะสงบจิตใจจึงจะนิ่งเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสมาธิเนี่ยเราทำอย่างไงในเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเดินปัญญาเดินวิปัสสนาปัญญ า, เ ด, ญญาเดินอย่างไงอันนี้ท่านก็สอนให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่แหละเราเดินตามตามขั้นตาม